แสดงความยินดีวาวันเกิดเป็นวันสําคัญของผูมีอุปกรณคุณหลวงพอ่อคือพลหนึ่งปกัณ์คณะชาติญาณงมมาร่วมกันแสดงความกันกตันยูกะตะเวทิตาแสดงความมมทิตาสักกะระในวันเกิดหลวงพ่อเองก็หลวงพ่อววันเกิดของเจ้าของ อย่าโน้มสิมากอะไรบ่มากอะไรกันมากก็ดีได้พบได้เจอกันลูกหลานนั่นๆั่นแต่หาว่า บ, าบาม่มีวันใน อ, อย่างเชเลยพวกห้องกับบ่ได้พบได้เจอกันลูกชิดเนี่ยอาจารย์ก็บริพบกันกันว่ามีมัน่นวันที่นั่นกิดลูกชิดทั้งหลายก็ให้ความสําคัญะดาหน้ากันเข้อมาเดินกันเข้อมาหรือว่าใส่ใจในการเข้อมาหลวงพ่อก็ได้พบ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 จะไปแห่นดูแลหยาิโยมกระบไดมือจังสันจะไปพุกผ่านบุญไหว้พระสงฆ์กุ้มผาชื่อเลี้ยงไปหม่นไปกับหยาิกับโยมมันกระบาด แ, แน่วเป็นการเป็นนาทีของหยาิโยมจะต้องแต่งตั้งจะต้องเบิ้งกันอผวกห่อไผ่สีเบิ้งของหนามของท่าเบิ้งให้มันดีมันเคยมีบางข้นพอออกมาแล้วก็ล็อกของหนาอม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 ถามไปองค์อื่นดิไปถามหลวงปู่ลี่ไปไปถามหลวงปูป่บุญมีไปบอมีทาง้มาหอดหลวงพอ่อหลวงพ่อตัดสินใจเชอะเลยจบรับผิดชอบไอยังเกิดขึ้นมาเอาจะต้องรับผิดชอบเต็มประตูเลยนี่แหละอันนี้คือความรับผิดชอบในช่วงนั้นนะคันทวาว์าเฮาสีโนนผุนั น, นโยนผุ น, นีบอ่อใดเอเว้นเสียแตาเออกรรมึงธรรมกับกรรมึงคื อ, อยังทั้งส่วนบ้านเมือง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 ให้เบิงเจาของขามีนาทีหยัง่งให้รับนาทีกันก้นละนาทีผู้ที่เฝ้าก็บมีซะ่ะบอกว่าเออถ้าหลวงพ่อมีหยัง่งกับเบิงเบิงหลวงพ่อเนี่ยนางนางย้อนละเพราะต้องหนีไปใส่นะหลวง พ, อพ่ออำเภอหลวงหลวงพ่อ ใ, ใส่ไส่ขันบมมีคนเฮาเฉลี่ยมันก็บัวใดเนี่ยลหลวงพ่อเกิดเลี้ยวโลกเล็กโลเหลกยักษ์จีเม้นสีใส่ไผ่คนต้องมีผู้ใส่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 นี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าพ่อเหตุใดก็เพราะผู้ที่นับเนี่ยนับสุ่มซีนับสุ่มหาพ่อปันพี่บ้าได้บฮบหลวงพ่อสรุปแล้ววันนั้นไปป๋อผมเท่เถือถ่อเธ อ, อหนึ่งเลยหลวงพ่อสไปนับอยู่วัดหลวงปู่เพี้ยนเขาก็นับนั บ, น, บนับแล้วผมก็มาให้ผมอได้เงินเท่าไหร่เงินกระถินผมก็เอาไปฝากผมนั่ไปฝาก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 เอาไปมาจะมาพิษมาทะเลาะกันในว่งการตัวนี้อีกหลวงพอ่อบอยาเค็นมนันไปลูกชิดลูกหาทะเลาะกันเนอผู้อื่นมาทะเลาะหลวงพ่อกับหลวงพ่อกับเอื อ, อมละอา อ, น อ, น อ, อ, อ, อ, อ, อในการพวกเข้าใจกันทั้งตาวต่างข้นต่างอมีนน้ำใจต่างค้นต่างมุง่งหวังเพื่อทํางานทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อ